พระตายปิฎกเล่มที่15หภิกขุนีสั่งยุตว่าด้วยเรื่องภิกษุณีอาลวิกาสูตรว่าด้วยอาลวิกาภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามกอนนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอาลวิกาภิกษุณี เข้าไปบินธบาตยังกลุงสาวัตถีกลับจากบินธบาตภายหลังจักชันพัตนาหานเสร็จแล้วต้องการความวิเวกคือความสงัดจึงเข้าไปในป่าอันโทวันลำดับนั้นมานผู้มีบาประสงค์จะให้อาาวิกาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวก จึงเข้าไปหาอารวิกาภิกษุณีถึงที่อยู่แล้วกล่าวคถานี้ว่าในโลกไม่มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์ท่านจะทำอะไรด้วยวิเวกเล่าท่านจงเสพความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเสียใจในภายหลังเลยลำดับนั้นอารวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่าไรน้อมากล่าวคถานี้ จะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่จึงทราบว่าเป็นมารผู้มีบาปอาลวิกาภิกษุณีจึงกล่าวกับมารด้วยคาถานี้ว่าในโลกนี้มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์เราสัมผัสดีแล้วด้วยปัญญามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันุ์ของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลา่า กองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งผีร้ายท่านกล่าวความยินดีในกามใดความไม่ยินดีนั้นได้มีแล้วแก่เราลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอาลวิกาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโสมาสูตรว่าด้วยโสมาภิกษุณี เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านโซมาภิกษุณีภายหลังกลับจากบินทบาตฉันพัฒหะเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลังวันนั่งพักกลังวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมานผู้มีบาประสงค์จะให้โสมาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิ จึงเข้าไปหาสมมาภิกษุณีถึงที่นั่งพักและกล่าวด้วยคถานี้ว่าฐานะใดอันประเสริฐอย่างยิ่งคือพระอระหัตซึ่งฤาษีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอื่นให้สำเร็จได้ยากท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่สองนิ้วคือหมายถึงมีปัญญาน้อยไม่สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได้ คือหมายถึงไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ลำดับนั้นโสมาภิกษุณีได้มีความคิดว่าใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นท่านโสมาภิกษุณีก็ได้รู้ว่าเป็นมารผู้มีบาปจึงกล่าวคาถานี้กับมาร น, นั้นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดี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 มารผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจว่าโสมาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองกีสาโคตมีสูตรว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครันเวลาเช้าท่านกีสาโคตมีภิกษุณี เข้าไปบินทบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจะบินทบาทภายหลังฉันพัตนาหารเสร็จแล้วเข้าไปอย่างป่าอันธวันเพื่อพักรังวันนักโพนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้กีสาโกตมีภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองเกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิ จึงเข้าไปหากีสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพักและกล่าวด้วยคถานี้ว่าบุตรท่านตายแล้วมาอยู่กลางป่าคนเดียวเหมือนคนที่ร้องไห้อยู่โดดเดียวกำลังสแสวงหาบุรุษหรืออย่างไรลำดับนั้นท่านกีสาโคตมีภิกษุณีได้มีความคิดว่าใครหนอมากล่าวคถานี้จะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ ก็ได้รู้ว่าเป็นมารผู้มีบาปจึงกล่าวคถานี้กับมานั้นว่าบุตรเราตายมานานแล้วบุุรทั้งหลายก็มีความตายนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นหรอกท่านผู้มีอายุเรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงทำลายความมืดะนั ก, กองทัพมัจจุแล้ว อยู่อย่างไม่มีอาสวะลำดับนั้นมานผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจว่ากีสาโคตมีภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองวิชยาสูตรว่าด้วยวิชยาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถี ท่านวิชยาภิกษุณีนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึง่งลำดับนั้นมานผู้มีบาปประสงค์จะให้วิชยาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาสะดุง้งความขนพองสีหยองเกล้าและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวิชยาภิกษุณีแล้วก่าบคถานี้ว่าเธอยังสาวมีรูปงามและฉันเองก็ยังหนุ่มแน่นมาเถิดน้องนาง เรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้าให้สำเริงสำราญกันเถิดลำดับนั้นท่านวิชญาภิกษุณีได้พิจารณาจึงรู้ว่าเป็นมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวคาถานี้กับมาร น, นั้นว่ามารรูปเสียงกลิ่นรสและผธพักซึ่งเป็นที่รื่นรมใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเราไม่ต้องการสิ่งนั้น เราอึดอัดประอาด้วยกายเน่านี้ที่มีแต่จะแตกทำลายเปืือยพังไปกามาตัญหาเราถอนได้แล้วความมืดในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในรูปภพที่ดำรงอยู่ในอรูปภพและในสมาบัติอันสงบทั้งปวงเราก็กําจัดได้หมดแล้วลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจแล้วหายตัวไปณที่นั้นเอง อุ ป, ปลวัณ น, นาสูตรว่าด้วยอุบลวันนาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านอุบลวันณาภิกษุณีได้ยืนอยู่ที่โคนต้นสาละซึ่งมีดอกบานสพร่างต้นหนึ่งลำดับนั้นมานผู้มีบาประสงจะให้อุบลวันณาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดเสดุง้ง และเคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวคถานี้ว่าภิกษุณีท่านเข้าไปใกล้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสปร่างถึงยอดแล้วยืนอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนต้นสาละนั้นอันหนึง่งผิวพันธุ์ของท่านไม่เป็นสองรองใครท่านไม่กลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือไงลำดับนั้น ท่านอุบนว น, นาภิกษุณีได้พิจารณาจึงรู้ว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวคาถานี้กับมาร น, นั้นว่าแม้นักเลงตั้งแสนมาในที่นี้เราก็ไม่สะดุง้งแม้เพียงคนของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนมารเราแม้ผู้เดียวก็ไม่กลัวท่านเรานี้จะหายตัวไปหรือเข้าท้องท่าน แม้จะยืนอยู่นับระหว่างดวงตาท่านก็ไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญในจิตจเจริญอิทธิบาทดีแล้วพ้นจากเครื่องผูกทุกชนิดเราไม่กลัวท่านหรอกท่านผู้มีอายุลำดับนั้นมานเป็นทุกข์เสียใจแล้วหายตัวไปจากที่นั้นเอง จาราสูตรว่าด้วยจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านจาราภิกษุณีนั่งพักลังวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาและถามดังนี้ว่าภิกษุณีท่านไม่ชอบใจอะไรตอบว่า เราไม่ชอบความเกิดเลยมารผู้มีบา ก, กล่าวด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามไกรให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยภิกษุณีท่านจงชอบความเกิดเถิดท่านจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้ว ผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจําการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหตุก้าล่วงความเกิดทรงให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบและดำรงอยู่ในอรูปประพบสัตว์เหล่านั้นเมื่ อ, อยังไม่รู้ความดับ จึงต้องมาสู่พบอีกลำดับนั้นมานผู้มีบาปเสียใจและหายตัวไปณนะที่นั้นเองอุปจาราสูตรว่าด้วยอุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุปจาราภิกษุณี นั่งพักหลังวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้ปรากฏตัวขึ้นและถามอุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีทำไมท่านจึงอยากจะเกิดอุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนนมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่า ท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานรดีชั้นปารณิมมิตาสวัตตีเถิดท่านจักได้เสวยความยินดีท่านอุปจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานรดีและชั้นปารณิมิตาสวัตตีอย่างผูกพันด้วยเครื่องผูก คือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเร่าร้อนโลกทั้งหมดคุกรุ่นโลกทั้งหมดลุกโคลงโลกทั้งหมดสั่นสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในนิพพานซึ่งไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวที่ปุตุชนเสฟไม่ได้มีใช่กติของมาร ลำดับนั้นหมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจและหายตัวไปณที่นั้นเองสีสุปจาราสูตรว่าด้วยสีสุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดที่กรุงสาวัถีครั้งนั้นสีสุปจาราภิกษุณีนั่งพักลังวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้น มานผู้มีบาปเข้าไปหาแล้วถามดังนี้ว่าภิกษุณีท่านชอบใจลัทธิของใครสีสุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบใจลัทธิของใครเลยมานผู้มีบากล่าวด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนโลนเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณะ แต่ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงม ง, งายหรือไรศีสุปจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าเจ้าลัทธิภายนอกพระศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมะของพวกเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรมะพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในศักยะตรกูล ไม่มีบุคคลอื่นเปรียบทรงครอบงามสิ่งทั้งปวงบรรเทาเสียซึ่งมานไม่ปราชัยในที่ทุกสถานพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพระจักสุทรงเห็นธรรมทั้งปวงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิแล้วพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นศาสนาของเรา เราชอบใจคําสอนของพระองค์ลำดับนั้นมานผู้มีใจบาปเป็นทุกข์เสียใจแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นเองเสลาสูตรว่าด้วยเสลาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุมสาวัตถีครั้งนั้นเสลาภิกษุณี นั่งพักลังวันที่โกนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เซลาภิกษุณีเกิดความกลัวได้กล่าวด้วยคาถานี้ว่าใครสร้างร่างกายนี้ผู้สร้างร่างกายอยู่ที่ไหนร่างกายเกิดขึ้นที่ไหนร่างกายดับที่ไหนลำดับนั้นท่านเซลาภิกษุณี ได้พิจารณาแล้วจึงรู้ว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารนั้นด้วยคถานี้ว่าร่างกายนี้ตนเองก็ไม่ได้สร้างผู้อื่นก็ไม่ได้สร้างอาศัยเหตุจึงเกิดอาศัยเหตุดับจึงดับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหว่านลงในนาอาศัยเหตุสองประการคือรถดินและอย่างพืช จึงงอกขึ้นฉันใดขันธาตุและอายตนะหกเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยเหตุจึงเกิดอาศัยเหตุดับจึงดับลำดับนั้นมานผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นเองวชิวราสูตรว่าโดวยวชิวราภิกษุณี เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นวชิราภิกษุณีเข้าไปยังป่าอันถวันเพื่อพักลังวันอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้วชิราภิกษุณีเกิดความกลัวความสะดุ้งประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี้ว่าใครสร้างสัตว์นี้ ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดขึ้นที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนลำดับนั้นวชีราภิกษุณีได้พิจารณาจึงรู้ว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงกล่าวกับมารนั้นด้วยคาถานี้ว่ามารเอ๋ยทิฏฐิของเจ้าชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์กองแห่งสังขารล้วนๆนี้ บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนคำว่ารถมีได้เพราะการประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอันหนึง่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดารงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุกไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุก ไม่มีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวาชิวราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองภิกษุณีสั่งยุต์จบบริบูรณ์